ตั้งใจภาวนาได้มันจะบีบบอขาดทุนพอสร้าห ล, ลุกทุนเดน้ขาดึุนขาดรอดคุณว่าคับไปขาไปขายอะสมาก์ทโกนตืมโกเซ่นอยูไปหนึ่งนึงหนึ่งนึ ง, น ง, น ง, นงนแต่ว่ามันตัวคล้องก็เสียอย่างเข้ามันคืจังค้นไปขาไปขายเนี่ยเอาเสียเนี่ยเสียมือเสียเล่นไป เสียหมูเสียเว่นเสียชีวิตเนี่ยแต่เขนี่อาที่ได้ไว้เนียแหละผู้ที่เขาทำมาหากินใน่ช่างโลกไดเ ง, งินถูท่องซับสมวัติประก็บไว้ก่องไว้ยิเขานักภาวนานตั้งใจภาวนาด้วยฮัดกำนดอจิตใจไปใจมันฮัดแล้วฮัดอีกกระบกให้เป็นมัน เคยไปซับตรงไปปุ่นไปขี่เคยไปคิดปุ่นขิดขี่ไปไกลไปนอกอยู่เรื่อยๆคิดไปนอกบ้านอีกขิดมาหนา้าอีกิดลับเข้ามาหนะาเจ็บฟ้องผันใจยุ่กับเจ็บฟ้องเรามันขิดได้สุ่นดอกเมนบอท่านได้กำไล่แต่ขิได้สุ่นผันป้อยไปเรื่อยหนึง่งเพรได้ดอกสุ่นเพราได้สำไร่เพราะต้องไปว่าเราสำไลนะ่ไม่ต่ขาดสุ่นหรอก รักษาใจไว้อย่าทรงไปอันใดมากแ่อย่าทรงไปยาหัวชาหลายอย่าไปจะออนมันหลายแนวอื่นกลับมารักษาใจยื้อน้ำกันไปเลยใจเรืองเาจะเขานั่งยืนดีครับผมมียังดอกเนี่ยทเป็นเดือดอ่อนอยู่ในวัดมาวัดกอาาะแตสก็ไม่ยอมใจเลยรักษาเพยงที่เราได้ทุ่นแหละทานไปมือนึ่งกะบในทุน่นเยอะก็าขาดทุ่นดอก หนลายเป็นตัวนั่นเขาเสดรกับไร่น่ะมันติดเซเลนาเด้่ยจีเซเลนาหาวีที่ไอเจมสไหนเขายังสิดทิมออกทิมออกได้อันแนวที่เขาของเขาข่าอยู่คือจังนี่นคือจังกระตายคือจังบ่วงจังฟานมันไปถือบ่วงเขานี่นะไอ้เจังไหนสีจังสิลัสือจังสิลุดจากบ่วงนี้เห็น มันจะพยายามดินพยายามพ่อนอยู่เนี่บ่วงฟานมันคือบ่วงถนนดินมันพนออกเ น, นี่ยแอนนาคิอแข็งตันอยู่ตลอดแอนนาดินออกใดลุดออกใดบ่วงนี่มันมมร้หลบ่วงปลูกแข้งปลูกขาปลูกข้อปลูกหูปลูกตาปลูกใจมั่ะบ่วงใหญ่มั่ะอันแก้ออกได้บ่วงไดนี่มันกระเมิดไปยังไงแล้วก็ชิวได่กับไรอันนะ่ ได้สุ่นหรืมันสมาธิเขาได้เจ้ากันยิดใจอยู่เสมอสักตัวเจ้ากันอันนี้แหละว่าได้สุ่นอันเน่าปดได้พลอยได้ว้างได้อันใดที่เขาเหลือดเขาห้อนอยู่ื้อนจะเก่าเลยเหลือห่อนก้าควมพักถ้าควมตั้งโบไม่กินอันเน่าปดถ้ารุดออกได้ไปอะไรกันไรเนี่ยขันมาขามะข้ายเรารักษาดีๆซ่อมดีๆเด้อมันเก็ดมันง่ำเอาดีๆมันจงได ซ้อมดีีจะได้ดอกฝันบ่ซ้อมก็ค่อยกินตะไครไปนึงก็บ่ได้แล้วมีไรก็บ่ได้อาทิตย์กันข้างพูดพื้นฮะซุกเสาเชนน้อยโฟววามาอาทิตย์กันอีกแล้วแต่เล่ยบ่ได้อยังเนี่ยบ่ได้บ่ได้บ่ดีเลันเขามานี่ต้องให้โอกาสบ่มาให้โอกาสดนนี่แหเข้าเดียวเมดีแล้วเข้าเดียวติดซีเข้าเดียวเศ้าีกอิีนี่เข้าเดียวคนได้ตายะ มาลงพ่นเบาหอดหอกหน่อยพ่นปีหอดเก้าสิบตูมีไเ่ลามันสันต้อมเอาดีีจังเจนีไปหอดมือตายนึ่งวามันวางล่ะให้มันขาดมันตอนล่ะซ้อมใจซ้อมจะพร้ออยู่เดอยวือว่าสติสัมปชัญญะเห็นไหสติคือคว่ระลึกสัมปชัญญะควบรูตัวเห็นมันต่อกันไว้ห็นมันเป็นสายให้มันต่อกันไวเมื่อแต่เ่ไม่ยั้งสิมื่หมได้อก อันยังคือมนเขามาทำลายเขามาเบียดเบียนเขาเน่ยมันเขามาบ่ได้ราอันสศรีสมัติเนี่ยรักษาไว้ดีอ ย, ยังว่าคนใส่ซุดอันนี้หละสพอนได้ีดินมาเี่นะเขาใส่กีดินมาแผ่นหนึ่งใส่สีดินมอคื้นนึง่งเยีดยแรกซุดหนึ่งเข้ามันเอาหัวไปล้อมไว้ถึง่าการซุดเศสมัติเนี่ยคือจงไปล้อมเอาหัวเอากีดินนี่หละเนี่ยการล้อมแล้วลนี่ปูขึ้นี่ ที่ท้าสวนท้าให้ผูนั่นแหละที่ได้มาได้ผลแบบนั่นแหละทันสติสัมปญญาหนี้สมาสินี้แต่ะุกอยางเอยู่ในที่ของเข้าเืยเ้ลอมผัวดีแล้วนี่ยสบายสบายพักหนึ่งแต่ว่าบนแล้วต้องพุดต้องกลดต้องผูกเพราตอนนันแหละตะพิจารณาที่นี่พิจารณา เอาอยังมาปลูกมันเป็นสิ่งใดผลเอาอานิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเาปลูกส่ใผลดีราค้าก็ดีนั่นแหละแม่วันสิ่ใดปูเอไ้ไรล่ะต้องใส่องมั่นด้วยหละที่เป็นญาติกันกบฏใดเให้กันกบฏใดนะ